กิเลสมันยิ่งเขามันยิแหลมเขี่ยมันยิ่งขมยิ่งแหลมมาก่อนเขาบัวเขาฝ่ายอยา ก, กเห็นกิเลสเขี่ยวมันแหลมเขามันคมเขามั น, ม แ, น, ห น, น, นแหลมคมแล้วกบให้ต่อสู้กันก็รู้เราจึงไปตั้งเห็นว่าทํานี้แหลมคมเลยเอาเงียบกินก็เลยรู้ทั้งสองอย่าง กิลสแหลมคมก็รู้ทำแหลมคมก็รู้ทีลี้แหมคมยิ่งกว่ากิเลสก็รู้ไม่แหลมคมยิ่งกว่ากิเลสสู้กิเลสไม่ได้พุงเราก็ทะลุสู้กิเลสได้พุงกิเลสก็ทะลุใคร แต่จะท ร, ราบศาสนาเป็นของละเอียดอ้อขนาดไหนเนาเข้ า, าภาคปฏิบัติก็รู้เองถ้ายังไม่ได้เข้ า, าภาคปฏิบัติแสดงไม่ไม่ซึงไม่ถึงใจงั้นไม่ได้เข้ า, าภาคปฏิบัติก็ไม่รู้กิเลสมันเป็นยังไงเพราะในตัวของเราทั้งหมดมันเป็นกิเลสทั้งมวลว่าเป็นธรรมหรือธรรม ไม่ถุนิเวศล้วเพิสูจน์กันทั้งภาคปฏิบัตแิแล้วคอยรู้เรื่องกันเองทีงนี้ก็พอฟัดพอเหว่างกันไปถ้าไม่รุ่งยิ่งก็ไม่ทราบจะฟัดตะเหวี่ยงนะมันไม่ได้ฟันเราเนี้ยไม่ได้เหวี่ยงเราเนะ้เขี่ยวกลวมกลวมกลวมเลยคืนไปเลยไม่ได้เที้ยวเลยด้วยลื่นคอไปเลยจ้ะ ดียังไงวาจะสุขยังไงถ้าลงทายังไม่เข้าถึงแล้วมันก็ไม่รู้ว่าดีขนาดไหนสุขขนาดไหนได้ชัดเจนถ้าทํเข้ถึงตรงไหนเราก็รู้แหละว่าดีอย่างนี้เป็นเป็นดีของอะไรและดีอันนี้เป็นดีของอะไรนะ่สุขอันนี้เป็นสุขของอะไรและสุขอันนี้เป็นสุขของอะไรนั่นสุขอันนี้เป็นสุขเห ย, ยื่อสุกายเบ็ดเนี่ย สุคนี้เป็นสุล้วนหนักดีนี่เป็นเป็นดีเหยื่ออยู่กายเบ็ดดีอันนี้เป็นดีล้วนล้วนหนัมันก็รู้ได้รู้ได้ เ, เราีเห็นปายเบ็ดเห็นแต่เหยือ่อก า, ายเห็นแต่เหยื่อก็ติดเบ็ดถ้าถ้าตาเห็นเหยือ่อเห็นเบ็ดด้วยก็ไม่ติด ตายเห็นเดียวด้วยก็คือใจที่มีสติปัญญามีธรรมด้วยใจมีสติปัญญามั็นแสดงว่ามันไม่มีธรรมพอจะรู้ปลายเบ็ดมันก็เห็นแต่เหยื่องับลงไปกระถูกสวดัดพับเนี่ยนั่นแหละหดูเอาระหว่างที่เหลืกับทงังมันแฝงกันไปนั่น แต่ดูจีิจงๆแล้วมันจะดูยากอะไร ม, มันจะรอบด้านมันจะคบขันนีวงไงดูคบขันนี่วางไงพวกเรานี่แหละตาตาอเก่าหูอันเก่าใจอันเก่านี่แหละดูสิ่งที่ของเก่าที่มีอยู่รอบตัวนี่แหละแต่มันต่างกันนะเหมือนกับตาของเราเนี่ยพอสวม กล้องจุลทรรศเข้าไปนี่มันก็เห็นชัดในสิล่ละเอียดละเอียดทำไม่มีกล้องจุลทรรศก็เห็นธรรมดาธรรมดามันก็เป็นธรรมดาทั่วไปเสยมันไม่ผิดธรรมดาพอสวมกล้องจุลทรรศเข้าไปปั๊บมันจะเห็นผิดธรรมดาใจมีธรรมใจมีปัญญามันก็เหมือนมีกล้องจุลทรรศ ต่างกันตากับตานี่แหละแต่ตาไปถึงไหนสติปัญญาไปถึงนั้นเป็นหลักธรรมชาติหูถึงไหนความรู้รอบมันยิ่งไปถึงนั้นถึงนั้นพร้อมๆพร้อมๆกัน เ, เป็นหลักธรรมชาติธรรมชาติไม่จาเป็นจะต้องไปตั้งท่าตั้งทางเพราะเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วตั้งอะไรนัมันเป็นหลักธรรมชาติทั้งมันสวนโกงข้าม มันก็เป็นธรรมชาติของมันหนึ่งนั่นแล้วจะทําไงนั่งอยู่มันก็โง่นอนอยู่มันก็โง่ยืนอยู่มันก็โง่อะไรมันก็โง่เพราะมันเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งของมันเป็นฝ่ายโกงคาบเพ้งขึ้นมาอย่างนี้ทิ้มันเป็นธรรมชาตินี้แล้วมันก็เป็นแบบนี้เถอยืนเดินนั่งนอนอยู่อะไรมันก็ฉลาดมันรอบตัวของมันโดยธรรมชาติไม่ต้องปรุมต้องแต่งไม่ต้องตั้งท่าตั้งทาง มันก็เป็นห้องนยำใจดวงเดียวนั่นแหละมันพลิกเป็นอย่างนั้นไปแต่ก่อนมีสีเคลือบแสงตรงนั้นแสดงอย่างนั้นไปเป็นาธรรมชาติของทํามล้วนๆกับใจล้วนๆเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเป็นอีกอย่างหนี่ยผมก็กำลังอ่อนลงทุกวันทุกวันแ ล, ล้วโรคภัยใกล้เจ็บก่อย่ํายีตีแหลกร่างกายเขาทุวันทุวน การ น, นานๆต้องสอนหมู่เนเขไม่เต็มเม็่เต็มตนหน่วยเหมือนจะก่อนะ่พูดที่ดูทีไม่ควรจะจบมันก็ต้องในจบไม่ควรจะอยู่ก็ต้องในหยุดไปแล้วอเป็นอยู่ภายใ น, ในอย่างประเทศวัดอุทุมพรก็ได้แปดสิบห้าเปยังไม่ถึงน้อยาาถ้าหมายว่าคือยังไม่ยังไม่ถึงที่ที่เราจะควรจบจบควรลง ค, ควรดิบถ้าเป็นตีโลป่ ได้ถึงแปดจิบห้าจีโด้เท่านั้นก็อยู่แล้วเมื่อ น, นี่ตรากฏคุนแล้วมันฝืนไม่ได้นะต้องถ้าเป็นเรือบินก็ปักหัวลงสนามเลยไม่ลงไม่ได้แต่เทศอาจจะให้เทศของธรรมราธรรมราไปเป็นการบังคับบรรพาไปมัป้นันก็เทศไปไม่ได้เด่ยนี่ ใ้เข้าปฏีบัติต้องให้เป็นประจามหลักธรรมชาติเสียงจะเบาก็ให้เบาไปาาาต่อจะช้าหรือเร็วก็จะไปเร่งไม่ได้อจะไปลั้งไม่ได้เล่งไม่ได้ห้อยไปเรื่อยๆตามหลักธรรมชาติทีนี้มันจะเร็วหรือจะเสียงจะขนาดไหนตัองก็เป็นมันไปเองไปนั่นหลือที่นี่<ม>เวลามันเล่งเขาเล่นเข้าตามหลักธรรมชาติมันก็มากระเทือนร่างกานี้ พอกระเทินปั๊บนี่ความรู้นั้นมันก็ยับย้นอนเข้ามาส่วนร่างกายเชี่ยทที่กำลงังเท่อนนั้นมันก็ตกหายไปแล้วแล้วก็ตักหัวลงสนามไปนั่นคือสิ่งน้ขาไม่ไหวขาเลยนะขาเหนื่อยนะเหนื่อยพราะอได้น่รู้ ยาเนี่ยเราก็ลืมนะถ้าอยู่คนเดียวเรามันเป็นหึ้มามันก็ลืมฉันนะถ้อยู่ที่นี่มันทำไมมันก็ลึกได้นะแปลอยู่คนเดียวไม่ขันเป็นหึ้นมามันก็ลืมไปหมดไม่ได้คิดเรื่องนอกเรื่องน่าไม่สนใจว่าจะพึ่งอะไรเลยเป็นยังไงไม่ทราบคารนี้เงินเงินก็หนื่อยเงินอยู่กับพี่หน่อยพี่ก็น่าอยู่นั่งเฉยรู้อยู่นั่นใชวันที่ยืมสามวันนี้ อาการทางโลกหัวใจรี้สึกผิดปกติมากพกอทึ่งป่วนแต่ทั้งที่เราม่นระวังอยู่นะซึ่งอย่างเราจะประเทศวันวัดอุทุมพรวันที่ยีิบสามตอนกลางคืนนั้นเราก็เลยสงวนไว้เสมอพูดกับใครกับใครก็เล็กน้อยเล็กน้อยสงวนไว้เพราะเวลาเรานั่งรถไปนี่ก็ไม่คุยอะไรเลยนะไม่พูดอะไรกับใครเลยนะ เหมือนกับว่าชาติแบ ต, ตรี่ไปเยอะเลยสงบ อ, อ, อารมณ์ไปเลยเฉยพอลงจากรถแล้วนหนีไปเลยทันทีนั้นใครก็ยุ่งกันมาไม่มากไม่น้อยเท่านั้นแหละไปเลยทันทีใครจะมีมากมีน้อยไม่สนใจใครเลยหนีไปเลยพุทธิที่มีพักที่ไหนทักกันมาเอาบริากาลรไปเลยมีจะไปทักก็บอกนั่นเลยใครจะตามไม่ได้ถ้าลงวันนี้จะไปทัก ไปเลยพ่านวสิน น, น, น, น, น, น้องกำหนดภาวนาของเราอยู่นั่งกับพระก็ลงไปแล้วก็น้องภาวนาจนกรทังได้เวลามไม่เกี่ยวใครเลยนะขึ้นสล า, ากาดจแล้วขึ้นธรามาเลยมนะั น, นยังเป็นได้ดีๆจะเป็นดวนธรามาน่ะ หลังนั้นก็ลงมาไม่อยู่นานเลยลงามารมะมาแล้วกลาบนั่งคู่เดียวก็ลงไปทักเลยมันก็ไม่หลับนี่แปกอยู่นะแ้วมันเป็นปกติแล้วน้อยมันก็ไม่ค่อยหลับห้าทุ่มมันยังไม่หลับนะสามทุ่มกว่านิดหน่อยไปการประบัติสองทุ่มลงมาพอลงมาก็กลับพระนครเทพเนี่ยพอเทศจบแล้วก็นานั่งคู่เดียวก็ลง แค่นั้นเวลาไปถึงมิติเป็นเพงสามทุ่มกว่าแล้วก็นอนเลยนะไม่หลับถึงห้าทุ่มยังไม่หลับค่อยเคลื่อนค่อยเคลื่อนไปฮน ะ, ะมันมั น, มนผิดปกติแล้วกับการนอนไม่สนิทนะนอนไม่หลับนี่มันเป็นคู่ของคู่กันแค่นั้นมาเรื่อยๆมาแล้วผมนอนไม่สนิทมาหลายคืนแนละ้วตั้งแต่คืนวันที่ยี่สามเรื่อยมายี่สี่ก็ไม่ไหว ยี่ห้าก็เหมือนกันนี่ก็เป็นห่วงวเพื่อนเพราะไม่ได้เนี่ยผู้มาใหม่ก็มีอาจารย์เอาลงจึงต้งลงมาวันนี้ถ้าธรรมดาตารรมมายาสายผมก็ไม่เล่นกับรแลามีสงสัยห้องใจตรงไหนล่ะพระทั้งพระใหม่พระเก่าที่มาใหม่มาเก่าที่เทศให้ฟังวันนี้สงสัยตร ง, งไหน เขาเปิดโอกาสให้พูดได้ท่านชาติจะกำหนดจะสืบวันที่เท่าไหร่วันที่29ครับอ๋อแลกลับกรุงเทพกลับเมฆเหนือไปสึบที่กรุงเทพหรือยังไงที่ท่านายการเนี่ยครับ ตอนนี้เร่งาใดีนะให้จนะิตนนง 9, งสงบให้เห็นทุกทีนะจากเที่ยวถึงวันที่สิเก้าเอาให้เร่งให้ดีต้งสงบไปเห็นทุกทีบวชทั้งทีให้เห็นจิตสงบบ้างบวชทั้งทีเห็นตะกี้เด็กพาเหาะพาลอยไ ม, ไม่เป็นานะ <c oughs> ตะนกเป็นยังไงจิตเคยสงบบ้างไหแต่นกตั้งแต่ บ, บวชมานี่เคยจิตเคยสงบ ยันใจสบายเห็นแปลกๆมีไหมเห้เห้โอ้ทำไงไปงั้นว่าห้เสียเสียกล้วยไปหลายลูกแล้วนี่เอามันในคุ้มค่ากล้วยบ้างสิกล้วยมัวไปกี่ลูกล่ะจำได้หรือเปล่าเห้เงียบเลย <c oughs> เอาบ้างสิ ในฟังเทปอยู่บ้างไหมทุกวันนี้ฟังฟังเหรอแต่ไงเวลาฟังเทปจิตมันใจมันเทินดีไหม ด, ด, ด, ดเอานั่นแหละมันบีงกันมันดูกับเทปเน่ะฟังเทินนี่นกล่อมใจที่เสียงทำนี่กล่อมใจนะเสียงโลกมันยั่วใจยุใจแย่ใจนีจ่ฟุง้งให้ร้อนพอใจร้อนก็กล่นก็ร้อนน่ะทีอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ติดพื้นนะ่ะ เด็วก็วิ่งแจ่นวิ่งน่นวิ่งนี่แล้วเห็นชุนักบ้ามันวิ่งไหมล่ะนะเราเคยเห็เนชุนักบ้าวิ่งตามถน น, นทางหรือเปล่าครับ <c oughs> จิตมันวิ่งมันเจ่งกว่านั้นนะ ม, มันเจ่งกว่านั้นตอนมันหมอบราเขาเห็นทันทีเฮ้นี่เหรอดอกพยศมาสงบให้เห็นไดน้เหรอยยนี่หนักเขเห็ น, ห น, น, น, หนทันที มันเป็นได้จริงขีปนาวมันวิ่งมีปากนั้นสงบตัวงไปจิตมันก็นิ่งเองสงบไปตาที่มาจากว่นวนานอหน้าชื่ออะไรบ้างอะยังไม่ถามหัวใจดจับหัวจยับังไห อืทช่นอมองหนึ่งองหนึ่งอ ะ, ะวัดเเดชครับวัดเเดรชราชเเดชราชเดชเหนือโอ้ oh, ชื่อมันอยู่จรวดหนึ่งอีกองอะ ว, า, ว, า, วาทะยวาวาทยุธมันแปลว่าไงละวาทยุทธ์เนี่ยยุทธ หรืนักสู้งั้นเหรอการพูดไม่มีจบอย่งั้นนะนอนหลับยังพูดได้สบายเล ย, ยงั้นเหรอวา่ายึดก็ต้องแบบงั้นเลยนักพูดหลับแล้วยังเมงอะงะไปอะขอพูดมันสนุกบ้างสิสนุกเรื่องทําเป็นไรไปวะมนสนุกแบบโลกอนุกแบบโลกไม่เป็นท่าอ่ะสนุกแบบทำเป็นท่ามนลื่นลึงมะ มันจะคุณตั้งสนใจธรรมะนะสนใจทางภาวนาดีนะผมมี่เสันสน้นกับท่านคุยธรรมะธรร ม, มดีท่านพูดเป็นธรรมน่าสังเรายังจับไม่ลืมนะท่านพูดว่าเออผมไม่ทราบเป็นไงท่านอาจารย์ยท่านก็เลือกอาจารย์ไปอาจารย์ต่างในลูกศิลูกหาออท่านอายุพรรษาแก่กว่าเรา ไม่แก่เวลากี่พัษานะท่านท่านเจ้าคุณพรมท่านจะกี่พัรษาเนะ่ยรู้ไหมตอนนี้เจนฮะตอนนี้ที่จี่นใช่ฮะตี้นี้เอาอะไรมาตอบอายุท่านครับเอออายุท่าน เ, เออ ท, ท่ า, าไหร่ <74. S 1> ี่ครับเจ็ดิบสี่พันษาท่านจะมีเ ท, าทา่าไหร่นะ ท่านคงจะบวชตั้งอายุครบมานะถ้าครบก็เจ็ด4ิบสี่ห้าอายุคงจะห้าสี่นะอืมคงจะขนานห้าัิบสี่ท่านห้าส4สีเราสี่ิบแปดท่านกงมากกว่าเราหกพรรษานะนเจ็ดและสี่สิบแปดนี่เรา อืมหกก็คงจะห่น้าหกเป็นสายผมก็จำได้แต่ก่อนลืมใช่ท่านพูดน่าฟังอยู่นี่พูดออกมาจากหลับปฏิบัติไม่ใช่พูดด้วยความรุนเดาอโอ้ผมอยู่นี่ก็รมัดระวังนธะท่านอาจารย์เรื่องฉันระวังกันนะถ้าฉันพัดมันมั น, มนภาวนาวไม่ดหรหวังนอกจากนั้นราคา ชักแสดงนั่งฟังสิผมเลยจาต้องทันแห้งๆอาหารแห้งๆไอ้ น, น้ำพริกบางเขาอาหารแห้งๆนี่ ร, รู้สึกพอนาสะดวกถน่างนั้นนะเราพอฟังนั้นมันก็เข้าถึงจิตปั๊บทันทีที่มันก็ไม่ลืมมี่ออกมาจากจิตผู้ปฏิบัติจะสังเกตได้อย่างนี้เพราะเราเคยแล้ว อาหารจะดีอร่อยอร่อยขนาดั้นมันก็ต้องในบังคับบัญชาจิตมามันดุ่มมากไปจย่างที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะเห็นนมอย่างนี้ผมกับนมไม่ทราบเป็นไงแต่ก่อนแหมมันเสริมได้อย่างชัดทีนะนม่งจะเรียนหนังสือก็ยังฉันไม่ได้นะจะว่าตั้งแต่ออกปฏิบัตินี่เลยเรียนหนังสือผมก็ไม่ขันนม ฉันแล้วมันมันไม่จาเป็นต้องฝันไม่ฝันนะมันเยิมมาเลยมันอะไรนแต่แตเกเลวผ้าเปียกหมดข้าง น, นาก็หยุดเลยไม่เอายิงออกปฏิบัติโดยแล้วไม่แตะเลยยริงไม่เอาเลยนานๆนะลองจะทดลองเลยมยังไม่ลืมอยู่ที่นาที่วนวล ฉันนุ้เดียวนี่ยังรู้นั่มากระถึงใจด้วยนะยิ่งเขลองนันมันนี่นตืนนเพราะฉันคืนวันนั้นพอตื่นขึ้นมาผ้าเปียกหาเหยียบาขนไม่ได้โอ้โหมันยังไม่ลืมญาติเก่ามันเหลือหนี่าฉันผสมใส่นั่นนะสมเพลอนมันตะบักขาวแต่เอามันมาแม่ครูจันเลยผมก็ เอาท่านก็ทราบเพราะผมไม่เคยขันวันนี้จะลองนมดูั้งหนนเป็นไงหวงท่านก็มียิ้มๆปรมอาย์ยิ้มันมามันก็โยสอนอย่างเอกเเป็นครูเอกเลยงั้นดไม่แตเลยยังไม่ท้ออายุมันมันแต่แรกนี้ธาตุขันมันอยู่ตัวมันสุดไปตันขันกวันั้นไม่ได้เรื่องเนี่เนี่ย แทนที่มันจะเสริมมันจะก่อนมันไม่เห็นได้เรื่องคือไม่ไม่เสริมราคะตัาหากเราตมมันเสริมท่าให้อยู่กําลังมันก็เห็นได้เรื่องนี่ทำไมบุรเรามันไม่เสริมเลยมันไม่เสริมเลยมันขาดหกจะมีเสริมอยู่บ้างแล้วเสริมต้องท่าขันเราพอทรงตัวได้ไหมเราไม่ต้องคุยทั้งว่าเสริมราคะปัญหาอะไรแหละเพียงจะเสริมท่าขันให้เราพออยู่สบายันมันก็ไม่ปรากฏแต่มันก็คงจะเสริมอยู่บ้างพอให้ บรรเทาความอ่อนเพียลงมากที่ว่าวันเนี่ยันอะไรลงไปมันก็อย่างว่าถ้าถัดมันมันไเตรงนั้นการต่อสู้ที่เหลือนันหมันไม่ลืมนะหัวใจเราเพราะมันเอามันริงไม่ลืมมันลืมได้ยังไงก็ลงเอาขนาดชีวิตจิตใจเขาแรกกันแล้วมันจะลืมได้ นันถึงได้กล้าพูดว่างานอะไรก็ตามในในโลกที่เราได้เคยผ่านมานะ้เราไม่ยังไม่เห็นงานใดที่จะหนักหนาขนาดด้วยสละชีวิตใจเหมือนงานกิตติภาวนานี้เรายังไม่เคยเห็นในตัวง่อยนี่ไปนั่นเลยอันนี้มันโหสลับเป็นสละบตายเหมือนก็เป็นมันเป็นเหมือนเป็นพื้นมาเลยถึงเวละที่จะเข้าได้ขเข้าเข็มยิ่งเอาว่างานนี่อันนี้เวลานี้มอบนะเวลา น, นั้นมันจะไปก็ไปเลย มันเป็นพื้นที่มันอยู่กับสระมันเป็นพื้นพื้นมาตรงถึงวัดถึงตอนที่มันจะทุ่มมันก็ทุ่มงมันเลยนี่เราเห็นโทษของจิตที่มันไม่สงบนี่แอมมันเป็นทุกข์มากนะนักบวชเราจิตหาความสงบไม่ได้เนี่ยแหมมันมันกวนจริงจริงนะกวนมากทีเดียว พอไม่สงบไปแล้วก็รู้สึกว่าค่อยเย็นสบายมันยุ่งมันเยอะไปวุ่นอะไรอะไรอยู่กับความสงบมันมีอาหารดื่มสมถะทำดื่มสมถะทําคือความสงบเย็นสบายก็ยิ่งจิตมีพื้นฐานในสมาธิเข้าไปแล้วอย่าทะเลก็ยิ่งสมาสมาจนขี้เกียจเนี่ยขี้เกียจอะไรขี้ขี้เกียจพิจารณาทางด้านปัญญาด้ย สุดท้ายก็เลยเป็นเหมาออกสมาธิไม่ว่าจะเป็นนิพพานแหรือเอาะนี่ถึงตรงนั้นมันไม่เป็นแต่มันออกปัญญามันถึงทุกข์มากที่นี้แต่ทุกข์มันทุกข์แบบเรารับทานอาหารเผ็ดน่ะมันเผ็ดมันก็มีรสของมันนี่เค็มมันก็มีรสของมันพอให้สู้กันพอใจแข็งไป เพ่รมันก็พอใจเหมือนเพราะมันมีรสอยู่ในความเป็ดอันนี้ความทุกข์ในความเพียรขั้นนี้มันก็มีรสชาติสุขในสมาธิยังพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าเมื่อถึงขั้นที่ควรจะยกไปผลประโยชน์ในทางด้านปัญญาก็ยกไปให้สมาธิมันเหมือนน้ความสุขในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันตันหวาน อถูกแต่เมื่อมันยังไม่กล้ามันอยู่ในนี้มันก็เป็นของดีพอมันควรจะกล้าแล้วก็ต้องปล่อยนี่ไปถึงขั้นปัญญามถึงหมุนนีื้อมันเห็นรู้ชัดหนิมันตัดกิเลสตัวไหนขาดไปยังไงไงมันรู้มันรู้มันรู้ขาดมากเป็นตอนเลยเลยจงกระทั่งในวงขันมันขาดไปหมดรูปขัน ความยึดมันถึงมั่นไม่รูปมันก็ขาดให้เห็นได้ชัดภายในใจของเราเวทนาสัญญาสังขาวิญญาณสุขทุกข์เฉยๆในส่วนร่างกายมันขาดแต่ก็รู้สัญญาแยบก็รู้ทัางขามันก็รู้วิญญาณมันก็รู้มีแต่อาการอาการเนี่ยมันขาดทั้งมันขาดอยู่มันก็รู้นแต่ก่อนมันเป็นตันเดียวกันหมดทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสั้งขาวิญญาณรวมแล้วเป็นเราเป็นเราเป็นของเราม นี่เวลาปัญญามันคุ้ยเขี่ยขุดค้นกันกรองเข้าไปกรองเข้าไปกรองเข้าไปมันมันก็สลัดออกสลัดออกสลัออ ก, ส, ออกส่วนรูปเป็นของหยากมันสลัดก่อนนำมาทำเป็นส่วนละเอียดก็เป็นทีหลังจนกระทั่งมันวนเข้าไปวนเข้าไปแคบเข้าไปแคบเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตมันก็หมดอะไรมันมีอะไรมันก็หมดในภายในขัน จะพิจารอะไรนี่ขอรู้แล้วจะพ่งามณอะไรอีกเนี่ยเหมือนเรารับทานข้าวนี้ประเภทนี้อิ่มแล้วจะไปเอ า, ามันอะไรอีกมไม่สนใจอ่ามันสนใจอะไรมันสนใจหวานออกใส่หวานลงไปนี่มันสนใจหวานกับมาตุนกิจความรู้เบญจนาตย า, า, นานิขารตยางมันเข้าใจนั้นมันก็ปล่อยเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนล้ล้วนล้นล้วนอยู่นั่นเองมันก็แบบขอารู้อยู่นั่นเสียเมื่อมันยัง ไปไม่ได้ผ่านไม่ได้ยังแบกอย่งนั้นอย่างนี้นไม่แบกรูปเวทนาสัญญาสัญญาณมันก็แบกความรู้ความรู้ที่เต็มไปด้วยาพิคืออวิชชาปาัญญาทั้งราลาความรู้เป็นอันเดียวกันเมื่อเราตัดสะพานที่มันจะออกอวิชามันมันเดินทางตาหูจมูกทิ้งกายอมันเดินทางรูปเวทนาสัญญาสัญญาณยันมันก็ถูกตัดเข้าไปตัดเข้าไปนี่ก็ยังเหลืออยู่เกาะเดียวเป็นเกาะอย่างนั้น ลนธทรากลางแห่งขันมันก็ติดอยู่นั่นเองแต่มันก็น่าติดนะออเอาวิชานี่ยิ่งไม่กล้าเขียนนะที่ว่า ท, ท, ท, ที่เราคาดเอาไว้นั่นอะอวิชานี่เหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีเนี่ยเราวาดภาพมันไว้ว่าเป็นคาดสุดย่างใหญ่หลวงเวลาเขาไปเจอวิชายิ่งไม่รู้ จึงเทียบเหมือนกำนางบางเงานางงามจักรวาลนั่นมันกล่อมสติปัญญาประเภทนั้นได้แต่ว่าสนิทมันก็ยังไม่สนิทเพราะมันพิจารณามันอยู่นี่แต่มันรักมันสงวนกับมันเดี๋ยวมันหลงมันรักมันสงวนอย่างนั้นมันก็ไม่พ้นที่มันจะสังเกตที่พิยินนาอาการละเอียดนั้นมันก็ยังต้องพิจารณามีกละเอียดมันก็เป็นปตรลักษณ์อยู่นี่มันเป็นสมมติอยู่นี่มันจะไม่แสดงสมมติขึ้นมาได้อย่งไร เป็นชั่วโมามันผ่องใสส ง, งาา่าผ่าเยมันจะมีอมีเฉาเฉานี่นิดให้เห็นจนได้เนี่ยเพราว่าสุปนี่มันจะมีทุกซึ่งเป็นของละเอียดแทรกขึ้นมาจนได้ให้จับจนได้ให้จับได้เนี่รรยสติปัญญามันกับพิจารณามันทั้งทั้งนี้มันรักษามันก็ยังสอดส่องสังเกตดูเพราะมันมีที่พิจารณาที่นา่นาอายโลกธาตุนี่มันเข้าใจหมดแล้วมันต่อย มันก็เหลืออันเดียวนั้นทั้งนักษาทั้งพิจารณาวติปัญญานี้มันไม่นอนใจมันไม่อยู่เป็นปกติมันหมุนมันอย่างละเอียดเหมือนน้ำซับน้ำซึมนทั้งแรงทั้งฝนตลอดอียาบทเว้นตลอดทางมาแสดงอาการให้มันหลายครั้งหนก็มันก็จับได้ มันก็เจาะเข้ไปทรงนั้นเลี่สติปัญญาที่พร้อมตัวอยู่แล้วนั่นพอเจาะไปนั้นก็พังเลยอ น, นั่นพังทลางไปอวิชชาพังไปนางบางเงาพังไปตอนนั้นแล้วที่นี่จะเที่ยวกันแล้วที่อันอธิวาอัศจรรย์น่ะที่ว่านางบังเงาไป็ของอาจารย์ว่านางงามจักรวาลเป็นของที่น่ารักใคร่ซาบใจเป็นสิ่ที่โลกปรารถนามากแต่ทำไม่ได้ปรารถนาที่นี่เนี่ย มื่ถูกทำนางไปแล้วไอ้สิ่งที่ว่านเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับความขี้ควายครอบเพชรพังดวงไว้นั่นเนี่ะมันต่างกันจริอเหมือนเมื่มันกระจางไปแล้วทิ้งรู้โอโ้โหขนาดนี้เหนือมิจฉาโอโ้โหโอ้โหวาดเป็นเสือโครง่งเสือดาวเป็นยักษ์เป็นผีไปได้เวลาเข้ามาเจอตัวกิงเนี่สอดหัวให้มันเคี้ยวเอาซะแหลก ยังไม่รู้ตัวเลยนะผพ เ, เหมือนอย่างอะไรมิคารที่ชีกระดนชัยมันมาเที่ยวบคำนี้ได้นะนิคาร์ชีกระดอนชัยเขาคนโง่กับคนฉลาดนะพูดง่ายๆเขาอะชีกระดนชัยนี่มันฉ ล, นะลาดจริงเหรอโอจริงนี่ชีกรดนชัยมันฉลาดจริงแหลวันฉลาดมากจริงนอะทางนั้นมันฉลาดนะเอาเอา ตดใส่กระบอกนี่แล้วคุณปิดนี่แล้วก็ไปให้มันดมหัวสิเออเราไปลองดูสิไปตดใส่กระบอกแล้วก็ปิดให้ดีแล้วก็ไปมาอะไรคนโง่มันก็ต้องแบบเขาโ ง, ง่ไปพอไปถึงสีกุนชนชัยมาอะไรมาที่กุดชนชัยนะเขาว่าสีกุดชนชัยมันฉลาดมากนั่นนี่แล้วมาอะไรมาทีกุนนชัยเพื่ออะไรอยู่เอามาตดเอาตั ว, ตวห้มันดมสิหัวเนี่ยขายแล้วใช่ไม่เอาตัวห้มันดมมันบอกกันแล้วนี่ห้าว มันไม่เลเหยียหมดเราเหลือเปิดดมดูสิพอเปิดดูดมก็จะยั่งยืนนั้นแหละแบบหมดได้จาของดมเองนะเห็นไหมคนฉลาดไม่ดมคนโง่นะดมนี่ก็เหมือนการตรติปัญญากับว่าเพียงกายเวลาเข้าไปถึงอวิชชาแล้วอวิชชาไปเหมือนสีกนนชัยไปติดมันทามันหลอกมันเสียรักษามันซังด้วยซ้นั่นแหละเหมือนดมตดมะอืว ที่นี่ทําปัญญาทันสมัยไหมหน่ะเอาตรงนั้นสิดี๋ไม่มีอะไรที่จะทันสมัยในโลกธาตุนี่สามแดโลกธาตุไม่มีอะไรจะทันสมัยยิ่งกว่าวิชาถึงครอบโลกธาตุได้ครอบหัวใจสัตว์โลกได้แต่พอถึงปัญญามหาสติมหาปัญญาเข้าถึงแล้วใส่ผึ่ง ไ, ไม่มีอะไรที่จะทันสมัยยิ่งกว่าสติกับปัญญายิ่งกว่าทํา ถ้านี้ไม่ทันสมัยไม่ล้ำสมัยที่เหรืออภิชาจะพังไปไม่ได้นานเอากันน่ะที่สุดท้ายกงทําอะล้าสมัยว่างั้นเลยทำมาล้าสมัยกว่าเหนือโลกเลอพี่ทันสมัยกับทันเข้าไปทางบกาศเหนือะะอลงล้าสมัยแล้วลก็เท่า น, นั้นแหละสบายแสนสมายอยู่ไหนอยู่เถอะ เงินทำไมทำไมจะไม่เห็นวัฎดาของกิเลสหรอมันหลอกต้มถุนมามากน้อยเพียงไรละเอียดละ อ, อแค่ไหนเป็นมาอย่างไรไ ง, ไงทําไมจะไม่รู้ล่องมันเมื่อมันล้าสมัยปัญญาสติปัญญาล้าสมัยทันสมัยคือคือว่าทันมันแล้วน่ทันมันแล้วทําลายมันแล้วน่าจะขอนิสายขอใช่หรือก็เริกขอพร้อมกันเลย